นะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนราธพโอเนเกษุเวสุติงสปารมีนามิศ ah ิระสานิจัง ปุรตวาอาคตวรางโมขังนาโทวิชันโตดวยังหิตวาสรัทักังโมทังวเนสุดุการังนามิศีราสาทรังพระนราสพระผู้บำเพ็ญพระบารมีสามสิทธัสนับพบนับชาติไม่ท้วนได้เสด็จมาดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิจพระนาถเจ้าทรงแสวงหาโมกษธรรมสละพระราชโอรสพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้เว้นแกรนแล้วเสด็จขึ้นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิจขอนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระอรญยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อ ขอความจเจริญในธรรมงมีแด่เราท่านทั้งหลายที่มาอบรมในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรต่างๆกันในครั้งนี้อามาก็มีความชื่นใจนะที่ได้มีโอกาสมาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเราท่านทั้งหลายในภาคบ่ายอยากจะให้มีการสนทนากันแต่ก่อนหน้านี้ก็อยากให้ข้อมูลความรู้ไประดับหนึ่งก่อน และอยากให้พวกเร า, เ ท, ารทั้งหลายเนี่ยมีประเดน็นเรื่องอะไรทั้งหลายที่เป็นเรื่องของปัญหาก็ดีกระบวนการความคิดก็ดีหรือความสงสัยลังเลใจใดๆก็ดีในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือที่เคยมีมาแล้วทั้งหมดเนี่ยอาจจะจดก็ได้หรืออาจจะถามก็ได้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนว่าเออเนี่ยใน<แ>ทัศน์มุมมองคําสอนขอ ง, งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักพุทธธรรมค <gam> ําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้หลักความจริงไว้อย่างไร แล้วเรามีความเห็นยังไงมีความคิดอ่านอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วความคิดเห็นของเราเนี่ยไปสอดคล้องกับความจริงมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์อย่างนี้เป็นต้นมันจะได้มีการแยกอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้แยกระหว่างความรู้กับความเห็นเพราะคนในปัจจุบันเนี่ยโดยมากเนี่ยเราจะแยกกันไม่ออกว่าอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นความเห็นใช่ไหมเพอะแยกระหว่างความรู้กับความเห็นไม่ออกแล้วเนี่ยก็เลยเอามาปนกันเคยได้ยินคําว่า เอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้สองประโยคเนี้ยสองประเด็นที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยยอาม่าต่างกันตร ง, งไหนช่วยคิดดิเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้นี่สองประเด็นนี้ต่างกันยังไง <c oughs> <c oughs> อ้าวว่ามา <c oughs> <c oughs> คืออยากให้เป็นการ ได้ใช้ความคิดนะให้พวกเราทั้งหลายช่วยกันคิดด้วเออเนี่ยความรู้กับความเห็นใช่ไหมถ้าถามว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นถ้ามีใครยกตัวยอย่างได้ยกเลยนะเอาก็พูดได้พูดเลยกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เนี่ยสองคำเนี่ยมีความต่างกันยังไงอ้าวใครจะแสดงก่อนใครจะใครจะใครจะเสนอประเด็นนี้ก่อนตอบประเด็นนี้ก่อน มีไหมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระจะได้รู้ว่าเออสิ่งอาจมาพูดเนี่ยเป็นความรู้หรือเป็นความเห็นเราจะได้จับประเด็นได้หรือเป็นความรู้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นความเห็นกี่เปอร์เซนต์มากน้อยเท่าไหร่ยังไงคําว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เนี่ยสองคำเนี่ยมีความเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะแสดงทัศนคในมุมนี้บ้างไหม มีไม่มีข้างหลังมีไหมครับนีมมมม่มีไม้นี่นไมม ไ, มไม้นี่ใช้ได้หมเนี่ยอ๋อได้เนี่ยครับที่ใครเป็นคนแจกไม่หน่อยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดอ่าวมียกยโอเค <laughs> เอ๋อเด่นจเออนี่แรกฉลาดเนี่ยโอ้ปวดพาราไปเยอะเลย <laughs> ใช่มเนี่ยเห็นไหม <laughs> ฉันบอกแล้วให้รีบลุกไปไวมีอีกตัวนึ่งเนี่ยค <c oughs> ันเดือดครับเช่นปปสโสพลนะครับที่เอาความรู้ไปประกอบความเห็นก็คือจะเป็นความเห็นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ความรู้ไปเป็นส่วนประกอบเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นก็คือความกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ใช่ไหมอภิยรกรับ เอาความ<ไ> ป, ประโยคแรกเอาความรู้ไปประกอบความพิเจินรคื อ, อยังไงน่าจะหมายความว่าใช้ความเห็นเป็นส่วนใหญ่หญ่แล้วก็ความรู้เนี่ยไปเป็นส่วนประกอบเช่นอเช่นเช่น<ช>อย่างในวงการแพทย์อย่างเงี้ยฮะยเป็นหมอตาอยเนี้ยผมก็จะอาจจะใช้ประสบการณ์ที่ดูคนไข้มาเยอะๆเป็นความเห็น <laughs> แล้วเอาความรู้ที่เรียนมานานแล้วมาประกอบอันนี้ก็คือคือในในมุมมองของผมนะครับยินดีครับส่วน เอาความเห็นไปประกอบความรู้ก็น่าจะหมายความว่าใช้ความรู้เป็นหลักอย่างเช่นอาจารย์มหาวิยาลัยอาจจะใช้ความรู้จากสุขจากการเรียนแล้วก็เอใช้ความเห็นจากการทุกคนไข้มาเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยกว่าก็คือความรู้เป็นส่วนใหญ่กว่าครับใครใครมีความเห็นต่างไหมหรือว่าเหมือนหรือแบบนี้โอเคได้ยัง ชัดไหมอย่างเนี้ยอ้าวงมีมีคนอาจจะเห็นต่างแนมววิบบสสิร์ที่นักศึกษาครั บ, บผมคิดว่าไอความรู้นี่น่าจะเป็นข้อสรุปแล้วครับน่าจะได้เดีย่ยวกันคิดกันกองวิเคราะห์ อ, อะไรแล้วทั้งหลายทั้งหลายหลังที่ผ่านมาสรุปก็เป็นความรู้ใช่ป่ะแต่ความเห็นนี่อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปก็ได้ครับแล้วเอาความรู้ประกอบความที่เห็น คือผมว่าสองคำนี้มันต่างกันถ้าเผื่อความรู้ประกอบความคิดเห็นนี่คือส่วนใหญ่นีนน่าจะใช้ความรู้แล้วเอาความเห็นเป็นตัวประกอบอาจจะเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องของอผลงานการวิจัยอะไรบางอย่างนะครับเอามาประกอบอืมแต่ถ้าเผื่อความเห็นประกอบความรู้เนี่ย จ, จะเป็นความรู้สึกหรือความที่เขา อยากจะพูดแล้วอยากจะอะไรเดี๋ยวเลี้งไม่ให้ข้อสรุปแล้วอาจจะอ้างอิงบางความรู้บางอย่างก็ว่าอยากหนังสือที่เป็นแหล่งกตำราเนี่ยไม่ใช่ในในการแสดงถึงความคิดเห็นของเขาตอนนั้นครับสรุปแล้วสิ่งที่ควรเป็นควรเป็นอย่างไรควรเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเรียวความคิดเห็นประกอบความรู้ผมว่าในเป็นความเห็นประกอบความรู้เอ็นี่ต่างแล้วสิเนี่ยเมื่อกี้เป็นความเห็นต่างแล้วเนี่ยเนี่ยเอาถ้างั้นอีกต้องต้องขอความ อีกคนหนึ่งโอ้โหทีเราประสอพรชัยนะครับคิดว่าอความความรู้ประกอบความเห็นเนี่ยอจะเอาความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์อแล้วก็เอาความรู้มาเป็นจุดอ้างอิงออืส่วนเรื่องของความคิดเห็นประกอบความรู้เนี่ยเอาความรู้เป็นหลักแล้วก็เอาความเห็นหรือความรู้สึกมาร่วมด้วย แต่จริงคิดว่าน่าจะเอาความรู้เนี่ยเป็นหลักความรู้เป็นหลักใช่ครับแล้วประเด็นแรกกับประเด็นหลังควรเอาประเด็นแรกหรือเอาประเด็นประเด็นหลังเอ่อควรเอาประเด็นหลังครับประเด็นหลังเอาความรู้เป็นหลักครับอ๋อความรู้ประกอบความเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ใช่ครับเอาความรู้เป็นหลักเพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็ตกผลึกมาแล้วส่วนความเห็นจะมาประกอบ แล้วในที่ประชุมมีใครมีใครฟังอย่างนี้แล้วพอจะแยกออกไหมระหว่างความเห็นระหว่างกับความรู้ความรู้กับความเห็นเนี่ยหรือฟังอย่างนี้ชัดไหมหรือต้องการให้เห็นอุปมาให้ชัดกว่านี้อีกไหมต้องการจะฟังให้พระขยายความให้ชัดกว่านี้ไหมฉันว่าแล้วต้องโยนหมาพระเนี่นอนกัน ประเด็นแรกที่บอกเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเนี่ยอา้าวประเด็นหลังเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ยกตัวอย่างที่ตรงนี้เขาเรียกอำเภออะไรเนี่ยที่รามาเนี่ยพระพรคอนใช้สียังใครเคยใครเคยไปนิวยอร์กไหมไม่เคยยังอา้าเอาใกล้ๆบ้านเราเอาในบ้านเราดีกว่า ใครเคยไปเชียงใหม่ไหมเคยใช่ไหมใครไม่เคยไปอ่าไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีใครเคยไปคืออย่างนี้คําว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปเชียงใหม่เจ๊ะไหมพอไปที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไปที่เราก็ไปที่ดอยสุเทพ พอไปที่ดอยสุเทพปุ๊บเราก็ไปเก็บข้อมูลในดอยสุเทพเราอาจจะไปดูในจุดของดอยสุเทพนะพ้ะธาตุก็ดีอะไรก็ดีในบริเวณนั้นทั้งหมดทางขึ้นทางลงทั้งไปดูทั้งหมดเลยแต่จริงๆที่เราไปดูเนี่ยเมื่อไปดูเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเราเอาเรื่องของดอยสุเทพมาเล่ามาบอกแต่เราไม่บอกข้อมูลความรู้ทั้งหมด ที่เราไปเห็นมาทั้งหมดเราใส่ความเห็นความชอบหรือไม่ชอบของเราใส่ลงไปในการเอามาบอกมองเห็นไหมเรามาบอกตามความเห็นตามความเข้าใจของเราโดยมีฐานข้อมูลเพียงเล็กน้อยเราก็มาบอกไม่ได้บอกในฐานะนำเสนอข้อมูลล้วนแต่ใส่ความเห็นเป็นระยะระยะไป บอกจุดดอยสุเทพเป็นยังไงทางขึ้นเป็นยังไงพระธาตุเป็นยังไงวัดเป็นยังไงข า, างขึ้นลงเป็นไงปัจจุบันมีอคนขึ้นลงยังไงแล้วใส่ความเห็นไปค่อนข้างเยอะแต่ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้บอกด้วยความบริสุทธิ์ใจเขามาบ อ, อกไ ม, ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดลักษณะนี้เขาเรียกว่าความรู้ประกอบความคิดเห็นรเริ่มเข้าใจยังแต่อีกคนหนึ่งไปเหมือนกันไปที่ดอยสุเทพ พอไปเบีเสร็จก็ดูทั้งหมดดูทั้งหมดเมื่อดูทั้งหมดเบีดเสร็จแล้วก็มาเล่าตามที่เห็นทั้งหมดเลยโดยไม่เอาความเห็นที่เข้าไปใส่เลยว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่หหกบอกทั้งหมดเมื่อบอกทั้งหมดตามความสามารถที่ตนเองจะบอกได้ปุ๊บแล้วต่อมาก็มาติ่งความเห็นว่าที่บอกมาทั้งหมดนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะแต่ฉันเห็นว่าน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ ทางบันไดที่ขึ้นไปมันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเดินแล้วเหนื่อยมันน่าจะลาดอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้เป็นความเห็นนะใครจะเห็นต่างก็ได้เห็นเหมือนก็ได้ในกรณีนีเขาเรียกว่าเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เราในฐานะที่เป็นแพทย์ก็ดีเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ดีเนี่ยเวลาเรานําเสนอสิ่งต่างๆเนี่ยเราควรเสนอประเด็นไหนควรจะประเด็นแรกหรือประเด็นหลังนะ ต้องประเด็นที่ว่าเอาความคิดเห็นประกอบความรู้คือให้ข้อมูลความรู้เท่าไรก็ให้ทั้งหมดส่วนเราจะติ่งความเห็นเอาความเห็นไปประกอบไปไรยเล็กน้อยอย่างไงก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทัศน์นี้คือทัศนะน้ี่คือความเห็นทีนี้ถ้าบอกว่าความเห็นเนี่ยก็คือความเห็นความรู้ก็คือความรู้ใช่ไหมเมื่อเป็นความเห็นเนี่ยถ้ามีคนอื่นเขาเห็นต่างเราจะโกรธหรือไม่โกรธควรโกรธหรือไม่ควรโกรธที่ผ่านมาโกรธหรือไม่โกรธ ไม่จริงมั้งไม่จริงมั้งเนี่ยถ้าอย่างนี้เป็นผู้บริหารที่ดีใช้ได้ใช่ไหมแต่เพราะเป็นผู้บริหารที่อิงอยู่บนข้อมูลความรู้ใช่แต่ที่ส่วนใหญ่ที่มันเป็นปัญหาเพราะสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่ชอบแสดงความเห็นแต่ไม่ชอบแสวงหาความรู้นี่คือสังคมไทยเลยนะต้องวงเล็บไว้เลยเป็นแบบนี้จริงๆ ชอบแสดงความเห็นแต่ไม่ชอบแสวงหาความรู้แล้วเวลาแสดงความเห็นที่บนฐานอย่งการรู้ไม่จริงเนี่ยมันเลยยุ่งนะเข้าเนาะเข้ามันก็ขัดแย้งที่จริงความรู้เนี่ยมันพูดกันได้ไหมควรพูดกันได้ใช่ไหมควรพูดกันได้เพราะมันเป็นความรู้เมื่อไหรเมื่อไหรก็คือความรู้เพราะความรู้ก็คือความจริงแต่ถ้าความเห็นเนี่ยันี่ก็ต้องบอกไปด้วยอันนี้เป็นความเห็นฉันนะใครจะเห็นต่างก็ได้ใช่ไหมจริงจริงควรเป็นอย่างนั้นไหม ในครอบครัวโดยส่วนใหญ่เรามักคุยกันสนทนากันระหว่างสามีภรรยาเนี่ยโดยมากเราใช้ความเห็นหรือความรู้เป็นการคุยกันเป็นส่วนใหญ่ <laughs> มีสามีกับภรรยาคู่หนึ่งสามีเนี่ยเรียนทางด้านทางด้านประวัติศาสตร์เออทางด้านวิทยาศาสตร์เขา แต่ภรรยาเนี่ยเรียนทั้งด้าน เ, ออเรียนทางด้านประวัติศาสตร์สองคนก็ไปดูภาพยนตร์ในภาพยนตร์นั้น ก, ก็มีช้างเผือกสามีก็เรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยามาจ้ะภรรยาโอ้โหตื่นเต้นมากช้างเผือกเป็นช้างมีบุญช้างมีบุญเงี่ย ภรรยาก็เรียนประวัติศาสตร์มาเลยมาหูส่วนส่วนสามีก็บอกว่าน้องไอ้ช้างเผือกมันช้างพิการเนะโอ้โหเนี่ยเถียงกันในเรื่องนี้เราโหโกรธกันมากเพราะโกรธกันมากในที่สุดจริงๆจากแค่ประเด็นช้างเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะ ก, กันแล้วก็เลิกกัน <c oughs> เห็นไหมเนี่ย ความที่รู้คนละสา ح, ขาคนละศาสตร์แล้วก็เอามาอัดนั้นสังคมไทยเราทุกวันนี้โดยมากก็คือว่าโดยเฉพาะผู้บริหารผู้บริหารที่อยู่บนความเห็นเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงมากเพราะว่าในที่สุดจริงๆก็ไม่ได้ยืนอยู่บนข้อมูลที่ทแท้จริงแล้วก็ใส่ความเห็นล้น้วนใส่อัตราตัวตนใส่ทิฏฐิ อัดเข้าไปว่าฉันเป็นผู้บริหารฉันเป็นหัวหน้าฉันเป็นเจ้านายมันต้องอย่างนี้เท่านั้นอันนี้ลูกน้องก็โกรธก็เครียดเลยทีนี้ยกตัอย่างอย่างนี้ดีกว่าว่าถามว่ า, อายอมผู้ชายเนี่ยนะเอาใครมีครอบครัวบ้างยกมือที้โอ้โหมีหมดแล้วเอางี้ยอมรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยมีความทุกข์กี่อย่าง อ่ารู้ไหมรู้อ้าวใครเป็นสามียกมือขึ้นก่อนทีเคย ร, รู้ไหมว่าภรรยามีความทุกข์กี่อย่างนี่นี่เจาะนี่นเรื่องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอ้าวรู้ไหมว่าผู้หญิงมีความทุกข์กี่อย่างนี่ถามผู้ชายก่อนนะ<ด>อ้าวลยกยกมือขึ้นรู้ใช่ไหมอ้าตอบไปช่ยตอบหน่อยมีไม้เออไม้อยู่ที่ไหนอันนู้นด้านข้างนะ <S <S ่ะโอ้ได้ได้ผู้รอบรู้เรื่องภรรยาเรื่องผู้หญิงแล้ว อา้าวเดี๋ยวตั้งใจฟังหน่อยนะว่าส่วนใหญ่ที่มาหาผมนี่จะทุกสามเรื่องครับหนึ่ง <1 S 2> อันที่หนึ่งคือทุกเรื่องลูกสองอันที่สองคือทุกเรื่องผัวครับสอันที่สามคือทุกเรื่องเงินครับอ๋อฉันสรุปแล้วผู้หญิงทุกสามเรื่องประมาณนั้นครับหลักๆครับเห็นด้วยไหมอันนี้เป็นความรู้หรือเป็นความเห็นความรู้หรือความเห็นเออเริ่มแยกออกเลยนี่เป็นความเห็นนะ อันนี้ถามผู้ชายเดี๋ยวถามผู้หญิงหน่อยยอมผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่มีสามีเนี่ยนะรู้ไหมว่าตนเองมีความทุกข์กี่อย่าง น, นี่ถามผู้หญิงอะไรแต่เนี้ยเมื่อกี้ผู้ชายใช่มก็ยังไม่อาจจะไม่ค่อยชัด น, นี่ถามผู้ผู้หญิงบ้างแต่เนี้ยรู้ไหมผู้หญิงมีความทุกข์กี่อย่างมีตอบได้ไหม ตกลงได้ไม่ได้ <c oughs> โออันนี้โย่งนะถ้าเป็นผู้หญิงเองไม่รู้ว่าทุ ก, กี่อย่างใช่ไมไอ้ตอบหน่อยดีไหมเอาว่าไงยอมนุ่นอยู่ใกล้ๆมายกขึ้นแสดงหน่อยสิเผอทีอาจจะเป็นความเห็นก็ได้ไม่ไม่รู้จะตอบยังไงอาจจะตอบได้ไม่ครอบคลุมนะะเพราะว่ายังไม่แต่งงานโอค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอพูดแทน <c oughs> โอโ้ได้ทาให้คนอื่นรู้ความจริงหมดเลย <c oughs> ไม่รู้จะตอบตรงหรือเปล่านะคะก อ, ะอะก็คงจะมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องตัวเรากับเรื่องตัวเขาตัวเขาก็คือทั้งสามีทั้งลูกทั้งญาติทั้งครอบครัว <c oughs> เรื่องตัวเราก็อย่างเช่นอเรื่องงานเรื่องของอการ อายุที่เราเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เรื่องความสวยงามอะไรประมาณขนาดน <Okay. S 2> ี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอคนอื่นอ่าสามีเรื่องลูก mm hmm. เรื่องของครอบครัวที่ mm hmm. อาจจะมีบ้านที่ทําเรื่องไม่ถ้อยถูกใจเราประมาณขนาดน mm ี hmm. ้คะ่ะนี่นิยมพอจะได้ได้ฟังมาสองบทสืบนิยอมอยากจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดสู้ความจริงเนี่ย พระองค์ตรัสว่าผู้หญิงนี่มีความทุกข์กี่อย่างอยากจะรู้ไหมแล้วก็เป็นมาตรฐานในการวัดว่าถ้าผู้ชายคนใดไม่รู้จักความทุกข์ของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นไม่ควรแต่งงานอ้าทีนี้พระเอิญก็อย่างที่ยอมพูดเมื่อสักครู่ว่า แล้วมันบังเอิญไม่ใช่บังเอิญแล้วแต่งมาแล้วอ่ะทำยังไงก็มีวิธีเดียวก็คือรีบเรียนรู้คำสอนของพุทธเจ้าเสียจะได้ปฏิบัติต่อผู้หญิงได้ถูกใช่ไหมฉะนั้นตอบทีนี้เรามีลูกนี่ มีลูกเป็นผู้หญิงก็ดีมีลูกเป็นผู้ชายก็ดีใช่ไหมหรือแม้แต่ตัวเราเองอาจจะต้องจะพัดจะผูจะต้องไปหาเมียใหม่ขออภัยนะไม่ได้ยุ่งนะ่ย <c oughs> ก็สมมติว่าภรรยาตายหรืออะไรเงี้ยสมมติสมมตุติถ้ายังไม่ตายก็อย่าไปทิ้งเธอ <c oughs> <c oughs> เป็นกฎข้อห้ามข้อแรกแต่นี้ก็จะต้องรู้ความทุกขของผู้หญิงข้อแรกอันนี้ไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นความจริงเออแต่เป็นความรู้นะ ผู้หญิงที่จะไปแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยความทุกข์ข้อแรกก็คือความความหวาดหวัน่นเพราะว่าเมื่อผู้หญิงจะเลือกผู้ชายสักคนจะเดินออกจากบ้านพ่อและแม่ญาติมิตรเพื่อระโยน์กับผู้ชายเนี่ยเขามั่นใจในใครก็ต้องมั่นใจในผู้ชายคนที่เขาจะไปอยู่ด้วยว่าจะสามารถนำพาชีวิตของเขาให้ไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงไหมจริงฉะนั้นตรงนี้แหละ ผู้ชายเนี่ยจะต้องสร้างตัวนี้ให้เกิดขึ้นคืออะไรสร้างความเชื่อมัน่นให้เขามีความเชื่อมัน่นเราและความเชื่อมั่นนั้นต้องไม่ใช้พฤติกรรมหรือการกระทํำตนเองเป็นลดความเชื่อมั่นของเธอถ้าไปลดความเชื่อมั่นหรือทําให้ความเชื่อมั่นของเธอลดลงนะเธอก็จะวิตกเพราะชึ่งเธอวิตกกังวลอยู่แล้วกรณีที่คนเราจะเดินออกจากญาติมิตรของตนเองเพื่อไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยและเพื่อจะได้ จับมือร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อชีวิตครอบครัวที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเขามีความคาดหวังตรงนี้สูงมากผู้ชายต้องรู้อันนี้คือเป็นความทุกข์ของผู้หญิงข้อแรกเป็นข้อแรกเลยนะและก็จะต้องมีปัญญาในการบริหารจัดการให้ดีว่าจะทำความเชื่อมั่นของเธอเนี่ย ถ้าคงที่ก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเริ่มลดลงเนี่ยแปลว่าแววแห่งปัญหาครอบครัวมันเกิดขึ้นเพราะไปทําความเชื่อมั่นของเธอให้ลดลงลดลงถ้าความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้นมันดีขึ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าคงที่ก็ยังถือว่ายังพอไปได้แต่ถ้าความเชื่อมั่นของฝ่ายหญิงลดลงความทุ่งเธอมากขึ้นไอ้อย่างนี้แปลว่าผู้ชายนั้นไม่รู้จักความทุกข์ของผู้หญิงข้อแรกนี่ข้อแรกนะข้อที่สอง ผู้หญิงเนี่ยพวกเราเป็นหมอเป็นแพทย์ส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเนี่ยมีระบบในร่างกายเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งจากการที่ของสิเลือดเขาเรียกว่าเป็นเมนหรือประจำเดือนที่จะต้องออกมาทีนี้เมื่อสิ่งต่างๆไหลออกมาจากร่างกายเนี่ยทำให้ดุลยภาพของร่างกายของเธอเนี่ยแปรปรวน ธาคือดินน้ำไฟลมในร่างกายเนี่ยในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายเหล่า น, นี้ยมันเกิดความแปรปรวนเมื่อเกิดความแปรปรวนผู้หญิงจึงมีภาวะในความหงุดหงิดง่ายเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายเพราะภาวะที่ไม่คงที่ของสภาพของดินน้ำไฟลมที่สภาพร่างกายมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าหลักของการแพทย์ก็เจาะไม่ถึงแต่ถ้าหลักของการในหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ย อาการอย่างเนี้ยมันมาจากกรรมใช่ไหมกรรมคือการกระทําอย่างหนึ่งมันมาจากจิตอย่างหนึ่งจิตก็คือความคิดทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นเหตุทําให้การผักดันเลือดออกมากหรือน้อยอะไรอุตุความเย็นความร้อนแล้วก็อาหารเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่มันเข้าไปสู่ในร่างกายโดยเฉพาะก็คือกรรมคือการกระทําที่เกี่ยวข้องัมพันธ์มีโครงสร้างในความเป็นผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงจึงมีภาวะความเปลี่ยนแปลงหรือความ จิตใจในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนี่ผู้ชายต้องฉลาดต้องรู้ว่าถึงวาระอย่างนี้ควรจะปรับยังไงควรจะปฏิบัติต่อเธออย่างไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายจะต้องรู้และเข้าใจใช่ไหนี่ประการที่สองประการที่สามทุกของผู้หญิงอะถ้าแต่งงานไปเนี่ยจะต้องมีอะไรมิบุตรตั้งคันเนี่ยภาวะที่มีเด็กหรือมีสิ่งชีวิตที่ไปอยู่ในคันเนี่ย อยู่ในร่างกายเนี่ยเจ้าก็จะเกิดภาวะแห่งความรู้สึกอึดอัดขับคล่องฉะนั้นสภาพจิตใจความวิตกกังวลของเธอก็จะเยอะความทุกข์ก็จะมากตรงนี้แหละเป็นภาวะที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องฉลาดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ข้อมูลความรู้ยังไงให้ปลอบประโลมยังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการบริหารอารมณ์ของเธออย่างไรที่จะให้เธอนั้นะมีสภาพจิตใจที่ดีงาม มีสภาพจิตใจที่มีความเข้มแข็งมั่นคงมีสภาพจิตใจที่อบอุ่นเพราะมันมีผลกระทบต่อเด็กด้วยเขาจะอย่างสภาพเด็กที่อยู่ในครรนก็ต้องมีผลกระทบไปด้วยเมื่อเครียดก็กระทบกับเด็กเมื่อปฏิบัติตนเองไม่ถูกก็กระทบกับเด็กในครรนยังไงไปต้นผู้ชายก็ต้องรู้นี่คือภาวะความทุกข์ของผู้หญิงชนี่ประการ ท, ที่สาประการต่อมาคือการคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรโอโ้ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเมือ่อเมื่อมีบุตรและคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ย ผู้ชายก็จะต้องมีความการเอาใจใส่ดูแลยังไงศึกษาข้อมูลด้วยแล้วก็บรรการปฏิบัติต่อเธอและปฏิบัติต่อลูกยังไงเป็นต้นเหล่านี้ต้องชาญฉลาดในการที่จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติตรงนี้ไม่ถูกขึ้นมาก็เกิดภาวะเห่งความเครียดวิตกกังวลก็เป็นความทุกข์สุดท้ายความทุกข์ของหญิงก็คือความทุกข์ที่จะต้องปรนเปอือฝ่ายชายการปรนเปื่ฝ่ายชายตอบสนองฝ่ายชาย ชายต้องการอะไรที่ต้องตอบสนองผู้ชายต้องไม่เอาใจใจตัวเองจนเกินไปเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายก็ต้องให้ข้อมูลของเขาว่าผู้หญิงมีทุกห้าอย่างแบบนี้ได้กล่าวนี้นะผู้หญิงก็ต้องรู้ตัวเองว่าตนเองมีความทุกข์อย่างนี้ว่าไม่ใช่เอาความทุกข์เหล่านี้ไปเป็นข้ออ้างในการเอารวยวายใช่ไหมในการที่เราจะต้อง ปฏิบัติตนเองยังไงให้มันถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้พอมองอ๋อยังอันนี้ไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นความจริงแต่เป็นข้อมูลความรู้เมื่อเรารู้จากผู้หญิงอย่างนี้ดีแล้วการที่เราจะไปเกี่ยวข้องและเราจะปฏิบัติต่อคนเธอทั้งหลายแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างดีงามถูกต้องยอมพอเข้าใจยังเริ่มเริ่มเห็นไหมจริงๆผู้หญิงมีทุกเยอม เยอะไหมเยอะยอมรู้ข้อมูลอย่างนี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกรักพระพุทธเจ้าหว่าพุทธเจ้ารู้จักเราใช่ไหมอ๋อการที่เราปฏิบัติต่อกันไม่ถูกบางครั้งเนี่ยเราก็อ í, ีมเพราะอะไรเราไม่รู้สาเหตุอยู่ๆเป็นอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไแต่ตอนนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเพราะภาวะความเป็นหญิง มีข้อจำกัดอย่างนี้แล้วมีภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ออแม้แต่หมดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ยังมีภาวะความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นต้นและอีกอย่างหนึง่งยอมรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยออผู้ชายเนี่ยพึงปฏิบัติต่อผู้หญิงยังไงในฐานะที่เป็นสามียอมรู้ไหมข้อแรกนะ หนึ่งไม่รู้ยอมทำกันหรือเปล่านะถ้าไม่ทำยอมก็ช่วยทำเสียถ้าข้อแรกในคนที่เป็นสามีเนี่ยด้วยการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยายอมเคยทำข้อนี้ไหมเอาคำว่ายกย่องนับถือว่าเป็นภรรยานี่คือทำยังไงรู้ไหมคือการไม่ว่าจะไปที่ไหนกับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องทั้งหลายยกย่องยกย่อ ง, ยยองในไม่ใช่ยกย่องเกินเหตยุยกย่อง ความคุณธรรมของเธอหรือความดีของเธอที่มีอยู่อ่ะยกย่องการยกย่องมันช่วยอะไรเมื่อเราไปยกย่องว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่ขยันใช่ไหมเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นต้นเหล่านี้ยถ้าเราไปพูดไปบอกกล่าวกับคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถามว่า ผู้หญิงที่ได้ยินข่าวหรือรู้ว่าเรายกย่องอย่างนี้เขาจะภูมิใจไหมเนะประการแรกคือยกย่องประการที่สองไม่โดมินห้ามเด็ดขาดนะในการโดมินผู้หญิงเจะยิ่งเสียถ้าอยากให้ภรรยาเป็นคนไม่ดีนะง่ายนิดเดียวหนึ่งอย่ายกย่องสองโดมินแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามที่เราไม่ยกย่องเป็นตามที่เราโดมินเช่นเกียดตค้านใช้ไม่ได้เป็นคนไม่รับผิดชอบ ใช้จ่ายเพิ่มเฟื้อยยอมตำหนิเลยนะแล้วไปพูดไปเรื่อย ๆ, ๆและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ผักไปที่เธอแล้วเธอก็จะเป็นอย่างที่เราบอกพูดแต่ถ้าเราพูดอีกมุมหนึ่งว่าเธอเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนใจเย็นเป็นคนอดทนเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนมีความรับผิดชอบดีแล้วก็จัดการงานดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ผมมีวันนี้ได้เพราะเธอเนี่ยนะโอ้โหเธอจะมใจมากผู้หญิงจะพรมใจมากมา มองเห็นนะเห็นหนึ่งยกย่องสองไม่ดูหมิน่นประการที่สามไม่นอกใจข้อไหนสำคัญที่สุดนะข้อที่สี่มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้อ๋อมอบไปนานแล้ว ทำว่ามอบความเป็นใหญ่ก็คือให้เธอจัดแจงของอะไรทั้งหลายเลนี้เป็นแต่ผู้มีอยู่ข้อนึ่มข้อนี้ผู้หญิงจะชอบที่สุดที่พระเจ้าแสดงข้อมูลพธรรมะกเขาไหหาเครื่องประดับให้ในการอันควร <c oughs> <c oughs> ยอมกลับไปรีบบอกสามีเลยนะนี่เธอผิดอยู่ข้อแรกเดียวผิดอยู่ข้อ เธอไม่เคยหาเครื่องประดับให้ฉันเลยตั้งแต่แต่งงานมายอมทำไหมข้อสุดท้ายนี่ยอมผู้ชายทำไหมหาเครื่องประดับทำใช่ไหมในการอันควรเนี่ยการไหนบ้างคำว่าการอันควรในการไหนํำว่าํำ เห็นไหมว่ากรณีแบบนี้เราจะได้รู้ที่จริงในหลักการที่พระเจ้าทรงบอวางหลักเขาไว้หรือบอกความจริงตรงนี้ก็ไว้บอกข้อมูลธรรมะตรงนี้ก็ไว้เพื่อความเป็นอยู่ผาสุก ข, ของครอบครัวถ้าสภาพของครอบครัวเนี่ยมั่นคงและแข็งแรงเนี่ยสภาพสังคมก็แข็งแรงมันพระเจ้าให้ความสําคัญในเรื่องครอบครัวค่อนข้างสูงถ้าฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงที่พึงปฏิบัติแหละ ข้อแรกเลยนะจัดการงานดีจัดการงานดีก็คือเป็นคนที่ฉลาดในการจัดการมากเป็นคนฉลาดคําว่าจัดการงานดีไม่ใช่จัดด้วยหน้านิ้วคิ้วขั้วหมดเนี่ยเป็นคนที่เก่งในการฉลาดจัดการงานใดๆทั้งหลายเนี่ยเป็นคนจัดแจงหรือวางระบบเป็นคนที่คิดคือมันอย่างนี้คนเรามีสามสามระดับใช่ไหมในการแก้ปัญหาเนี่ยระดับแรกเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือเมื่อมีปัญหาวิ่งมาชนปุ๊บก็แกหรือไปชนปัญหาพบถึงแก้นอกนั้นก็ปล่อยป่าละเลยไปเรื่อยๆพอเจอปัญหาแต่ละทีก็ลุกกรีกุจอลุก ข, ขึ้นมาทําทันทีเป็นไหมไอ้โรคแบบนี้ใครเป็นบ้างไหมไม่ได้เตรียมการไม่ได้ป้องกันไม่ได้อะไรไว้เลยแต่พอไปเจอปัญหาแต่ละครั้งก็ตื่นขึ้นมาแก้ปัญหาแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิด บ, บ้างถูกบ้างแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาให้ก็ผ่านไปแล้วก็มีนิสัยแบบนี้ตลอด พอเจอปัญหาใหม่ก็ลุกขึ้นมาแก้ใหม่โดยขาดการเตรียมการขาดการวางแผนที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คนประเภทแรกเป็นแบบนี้พวกเราเป็นไหมประเภทแรกใครเป็นบ้างยกมือทีเป็นอ่ะสองประเภทที่ประเภทที่แก้ไขคือคนประเภทที่สองก็คือเป็นคนที่กระตือรือร้นนะแต่เครียดวิตกกังวลกังวลกลัว กลัวอันนั้นจะเกิดกลัว น, นี้จะมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกลัวภัยในอนาคตกลัวปัญหาและกลัวอุปสรรคแต่ถูกกิเลสลุมเล้าในจิตใจบีบคั้นทําให้ตนเองต้องตื่นตระหนกตกใจแล้วก็แก้ไขเตรียมการไว้หมดแต่เป็นคนที่เครียดวิตกกังวลแต่สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยคนประเภทนี้เช่นจะจัดงานจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกุรีกจอวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับต้องคิดนูน้นคิดนีวนนน้วางแผนนู้นวางแผนนี้เป็นไปด้วยความวิตกกังวลตลอดเวลา แต่ก็สามารถละลุล่วงไปได้ดีเป็นไหมประเภทเนี้ยนี่คือประเภทที่สองใครเป็นประเภทที่สองยกมือทีโอ้มีเหมือนกันประเภทที่สามประเภทเนี้บุคคลที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นคนที่มองเห็นปัจจุบันอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันได้ดีมากใช้ปัญญาพิจารณาว่าภัยอันตรายปัญหาบุสศรคใดๆจะเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาในการตรวจสอบตรวจตราแก้ไขจัดแจงไปด้วยความสงบ เยือกเย็นนะเป็นคนที่มีความสุขกับการแก้ไขปัญหามีความสุขกับการที่จะต้องทำงานมีการจัดแจงแก้ไขไปด้วยดีรุล่วงไปดี ด, ด้วยคนประเภทนี้นี่คือประเภทที่สามทีนี้มนุษย์เราเนี่ยควรจะเป็นประเภทไหนแต่สิ่งที่เราเป็นมาด้วยมากสองกับหนึ่งใช่เราควรจะแก้ไขหรือปรับลรงตัวเองให้เป็นประเภทที่สามเขาเรียกว่ามีสติสัพชัญญะ ในการที่จะรู้และเข้าใจสภาพของอะไรมันจะเกิดขึ้นมีวิธีการป้องกันยังไงภัยที่จะมาในอนาคตเช่นเวลาเราจะเดินทางเราจะต้องแก้ไขยังไงในอนาคตเราจะต้องเจ็บป่วยในอนาคตเราจะวางแผนครอบครัวของเราอย่างไรรายรับรายจ่ายเป็นไปยังไงทั้งหลายเ่านี้เป็นต้นขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการสามความหมายเลยนะขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการถ้าักถนางเนี้ย ต้องกลักบุคคลประเภทที่สามเราได้ไหมใครได้ประเภทที่สามบ้างเป็นคนขยันด้วยไม่ประมาทด้วยและฉลาดจัดการด้วยยอมเป็นไหมแม่บ้านที่ดีต้องเป็นประเภทนี้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีได้ดีนะไม่นอกใจในข้อที่สี่เก็บทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นคนที่ฉลาดในการเก็บรายรับรายจ่ายด้วย แล้วก็ขยันไม่เกียจคา้านในกิจการนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาเนาะทีนี้ให้สังเกตตดูนะว่าเมื่อมีหน้าที่ที่แต่ละบุคคลต้องฝึกถามว่าเวลาสามีปฏิบัติหน้าที่หรือทําหน้าที่เนี่ยทําหน้าที่เพื่อภรรยาหรือทําหน้าที่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรภรรยาเวลาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติเพื่อลูกหรือปฏิบัติเพื่อสามีหรือปฏิบัติเพื่ออะไรคนส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฉันทําเพื่อเธอ สามีก็จะบอกว่าฉันทำเพื่อเธอเนะจริงๆแล้วการกา ร, การคิดในลักษณะเนี้ยไม่ตรงต้องบอกว่าต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมของความเป็นสามีคือมีธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่มีภรรยาเป็นใหญ่เมื่อเราฝึกตนเองเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นสามีแล้วภรรยาที่ได้รับผลจากเข้าสามีที่เข้าถึงธรรมะเป็นผลพลอยไ ด, ได้ใช่ไหมเช่นเราเป็นคนที่ เป็นคนที่ยกย่องนับถือฝึกพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราเองฝึกสภาพจิตใจเราเป็นคนยกย่องนับถือไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจเนี่ยแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในบ้านได้แล้วก็หาเครื่องประดับให้ในการนควร เ, เป็นเป็นต้นเหล่านี้ยฉะนั้นสิ่งที่สามีประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องการฝึกตนเองให้มีความเชื่อมั่นให้เข้าถึงความเพียรให้เข้าถึงสติเป็นต้นเหล่าเนี้ยจุดหลักจริงๆก็คือเข้าถึงอะไรเข้าถึงธรรมะ พอมองเห็นอี่ยังแตนเนี้ยนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เนี่ยมามองต้องการชี้ประเด็นตรงนี้หเห็นว่าเนี่ยคุณธรรมขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยที่พระเจ้าใช้เป็นหลักทีนี้จะต่อเมื่อช้าพูดเรื่องพรหมวิหารยังไม่ชัดเพราะว่าการบริหารจัดการหรือการที่เราจะเป็นนักบริหารที่ดีเนี่ยสําคัญที่สุด ใช่ไหมคุณธรรมที่คุณเอามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเลยคือหลักของพรหมิหารใช่ไหมหลักพรหมิหารก็คือธรรมะหรือว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเนี่ยคําว่าพรหมิหารนี่นะคำคเนี้ยเขาแปลว่าทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือทําประจําใจอันประเสริฐที่เราชอบคำไหนทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทําประจําใจอันประเสริฐ หรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์เราชอบคําไหนทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทําประจําใจอันประเสริฐ ห, หลักความประพฤติหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ยอมชอบคําไหนของความคําแปลนะว่าพระมิหารชอบทั้งหมดเลยครับที่สามใช่ไหมหรือจะบอกว่าทำที่ต้องมีไว้เป็นหลัก ทำที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตไปได้อย่างหมดจดแล้วก็ปฏิบัติตนกับมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบฉะนั้นถามว่าเมตตากรุณามุติตาและเวขาเนี่ยทําประจําใจประเสริฐหลักของทําเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือทําหรือว่าหลักความประพฤติบริสุทธิ์ประเสริฐบริสุทธิ์เนี่ยธรรมะทั้งสี่ประการเนี่ยถ้าเป็นหลักแล้วก็เรียกเป็นหลักของนักปกครองอ หลักของนักปกครองเพราะอะไ ร, เ, รเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับคนหลากหลายแล้วก็หลายสถาน ะ, ะทีนี้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆอมาต้องการอยากจะขับเน้นว่าให้เราเอาหลักของพรมวิหารเนี่ยไปใช้ให้ได้จริงๆเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเรารู้แล้วจาได้ แต่จะไปมีปัญหาภาพปฏิบัติการภาคหลักการหรือภาคศึกษาฟังเนี่ยโดยมากไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราจะาลงมือเอาไปทําจริงจริงอันนี้ปัญหาเกิดเลยใช่ไหมเมื่อตอนเชา้าฉันถามว่าเ<า>มตตาเนี่ย<า>แปลว่าอะไรเมตตาความหมายของคำ ว, ว่าเมตตาคือใครให้นิยามคำว่าเมตตาได้ไหม เอาข้างหลังเมตตาในาแปลว่าอะไรอา้าวเมตตาปราถนาคนอื่นมีความสุขอ่าแล้วกรุณานาะปราถนาคนอื่นมีความสุขสปะ่ะสรุปแล้วเอาที่จริงเมตตาศัพท์นี้ยมาจากคำว่ามิตรตาเอาสาระอีเป็นสระเอสระอาเป็นสระอาก็กลายเป็นเมตตาแปลว่าคุณธรรมของมิตร เมตตาศัพท์นี้ก็แปลว่าความรักเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเนี่ยเมตตาศัพท์นี้แปลว่าความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนนี่นี้จะนี่ตั้งหลักเขาไว้เราจะได้ใช้ธรรมะถูกถูกต้องถูกบุคคลสองครุณากรุณาแปลว่าอะไรครุณาแปลว่าอะไรใช่กรุณาแปลว่าสงสาร คิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์อันนี้คือการฝ่ใจนะในอันนี้จะปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นนี่ น, นี้คือการกรุณาการที่สามเรียกมุทิตาแปลว่าอะไรพอ ย, ยินดีพอ ย, ยินดีในเพื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขแล้วอุเบกขาคำว่าเฉยเนี่ยมีสองอย่างนะ เฉยแบบไม่รู้เรื่องอย่างหนึ่งอัญญานุปเปกขาเนี่ยสั์เดิมก็แปลว่าเฉยงโง่เฉยไม่รู้เรื่องมีจริงๆนะเฉยแบบไม่รู้เรื่องนี่นะส่วนอุเบกขาเนี่ยความวางใจเป็นกลางเนี่ยอันนี้เป็นการเฉยที่เป็นไปกับปัญญาเนี่ยในอันที่จะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญานี่มีจิต มีดหยิตเรียบแล้วก็เที่ยงตรงเหมือนกับตาชูเหมือนกับตาช่งาง่งเงี้ยลักษณะเงี้ยนี่กือุเวคาสรุปแล้วก็คือพระมิหารเนี่ยถ้าเรามองงี้ก็จะเริ่มเห็นนะว่าหนึ่งเมตตาสองกรุณาณสามมุทิตาสี 4, อ่อเวคาโดยหลักการโดยทั่วๆั่วไปก็คือว่าความมีน้ำใจดีงามทั้งหลายทีนี้ต้องรักว่าเมตตาควรใช้ในสถานการณ์ไหนกรุณาควรใช้ในสถานการณ์ไหน มุทิตาคนใช้ใน ส, สถานการณ์ไหนแล้วอุเบกขาคนใช้ใน ส, สถานการณ์ไหนพอ <c oughs> มองเห็นถามพวกเราหน่อยว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเมตตาหรือเป็นสังคมอุเบกขา <c oughs> สังคมไทยเป็นสังคมประเภทไหน <c oughs> พวกเราหนักที่อุเบกขาหรือหนักที่เมตตากรุณาน ที่จริงสังคมไทยเป็นสังคมเมตตากรุณาให้สังเกตดูนะสามข้อเนี่ยเมตตากรุณาเมตตาสามข้อนี่คือด้านความรู้สึกด้านความรู้สึกนะสามข้อนี่นะเป็นด้านจิตใจด้านความรู้สึกส่วนอุเบกขานี่ด้านความรู้นะคนคนละคนละอย่างกันนะเมตตากรุณาเมตตาในด้านความรู้สึกแต่อุเบกขานีนด้านความรู้ด้านปัญญา ทีนี้เมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนที่ได้บอกไปแล้วเมื่อเช้านี้ปกติไ้ยเมื่อเขาปกติเมตตาใช้ในสถานการณ์ที่ปกติกรุณาใช้ในสถานการณ์ไหนในขณะที่เขาเดือดร้อนผิดปกติมุทิตาก็ใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติจ่วเป็นกาขึ้นส่วนอุเบขาอุเบคาใช้ในสถานการณ์ไหน ใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะความถูกต้องดีงามทีนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาในการใช้พรหมวิหารโดยมากเราจะเปลี่ยนหน้าไม่ทันไม่ทันต่อสถานการณ์นั้นๆเช่นสถานการณ์ที่ควรจะเมตตาแต่เราก็ดันไปใช้กรุณามุริตาหรือไม่ได้ใช้หน้าไปใช้หน้าอินหน้าพรมไปเลยเนี่ยนะผิดทางเลยถามว่าพระพรหม ใครเคยไปไหว้ที่พระพรหมที่เอราวันเคยไหมพระพรหมมีกี่หน้าสี่หน้าใช่ไหมเวลาพระพรหมจะนอนจะนอนยังไงนอนอยังไง <c oughs> พระพรหมที่สร้างที่งที่เอราวันเนี่ยเป็นพระพรหมคติพรามหรือพระพรหมคติพุ นี่แสดงไม่รู้เนี่ยนี่แสดงความเวียนชัดเล ย, เยที่จริงผู้สร้างทีแรกน่ก็สร้างตามคติพุทธไม่ใช่คติาพามแล้วพระพรหมเนี่ยที่ก็สร้างสี่หน้าก็ไว้คือหน้าที่หนึ่งคือเมตตาหน้าที่สองคือกรุณนาหน้าที่สามมุทิตาหน้าที่สี่คืออุเบกขาเขาให้ใช้หน้าให้ถูกต่อบุคคลต่อสถานการณ์นั้นๆ น, น ใช้ทีเดียวพร้อมกันสีหน้าได้ไหมเขาให้ใช้ทีละหน้าแต่เวลาปั้นรูปพระพรมเนี่ยก็ต้องปั้นสีหน้าแล้วรู้ไหมพระพรมที่เอราวันเวลาเราไปไหว้เนี่ยวันไหนที่ท่านไม่รับเครื่องเส้นรู้ไม่รู้เ้าห้ามวันไหนรู้ไหมนี่ไม่รู้จริงจริงก็งงห้ามวันพระทําไมถึงวันพระท่านไม่ลงมารับเครื่องเส้นเพราะอะไรเพราะอะไรอ้า เพราะวันนั้นท่านไปเฝ้าพระเจ้ายังไงเขาเขียนไว้งั้นนี่แล้วเราเวลาไปไหว้พระกรมเราก็ไม่ถามว่าท่านไปเฝ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศเรื่องอะไรเออนี่เป็นความผิดของเราซ้ำสองเลยนะหนึ่งข้อแรกไปผิดวันด้วยวันพระก็ไปข้อที่สองพอไปเสร็จแล้วก็ไม่ไปถามพระเจ้าว่าเมื่อวันพระท่านไปเฝ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศเห็นความผิดสองชั้นเจอมัอ้ยล่ะ งั้นคบว่าพระพรหมเนี่นะทีนี้ถามว่าพระพรหมท่านเนี่ยเดิมท่านชื่อว่าอะไรตามประวัติเนี่ยเราอยากรู้ไหมประวัติจริงๆเนี่ยท่านชื่อสหัมบดีพรหมเป็นพระพรหมที่เป็นพลมาราตนาพริเจ้าให้แสดงธรรม ในวันที่พระเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆตอนประทับอยู่ที่อาชาบาลานิโคตจําได้ไหมเล่าจำไม่ได้แล้วพวกเราลืมหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าขวัขวายน้อยจะไม่ทรงแสดงธรรมพรหมก็เลยลงมาร่าธนาขอให้พระเจ้าแสดงธรรมนี่ผมตนนี้แหละผมท่านนี้แหละทําไมท่านต้องมาร่าธนาพระเจ้าให้แสดงธรรมพอพระเจ้ารู้ว่าคนในยุคนั้นเขาสําคัญกว่าพวกพรหมเนี่ยสร้างโลกสร้างมนุษย์ จะมาพ่อพรมเลยมาเปลื้องตอนเองว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้สรนะ <c oughs> ้างเพราะการที่จะไปเกิดเป็นพรมได้เป็นไปด้วยข้อปฏิบัติได้หลักการใน<ะ>หลักการใน<ะ>ข้อปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นไปด้วยการที่<ะ>มันเกิดขึ้นเองมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอง<ะ>ทั้งหมดเหล่านี้มาจากเหตุปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นเอาสะรุปก็คือพรมเนี่ยมีสี่หน้าถ้าตีออกมาเป็นธรรมะก็คือนี่แหละเมตตากรุณาเมตตาและเวทขา แปลว่าอะไรก็แปลว่าพวกเราเวลาจะใช้พรรมวิหารเนี่ยใช้ให้ถูกหน้าเปลี่ยนหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ฮ <c> ะ <oughs> อะไรนะเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นแล้วเจอสถานการณ์อย่างปัจจุอย่างตอนนี้ที่พวกเรานั่งกันอยู่อย่างเนี้ยสถานการณ์ปกติหรือผิดปกติเอาแต่เราเหลียวไปก็หลังหินคนนึงนั่งหลับสมมตินะมีคนคนค น, นึงนั่งหลับอยู่ เราควรจะเจริญพรหมีหารกับคนที่กำลังนั่งหลับอยู่ข้อไหนข้อไหนแล้วคิดยังไงอุเบกขาคิดยังไงเอาเวลายอมยอมร่วมไหมว่า เวลาอาตมาบรรยายธรรมนะที่ไหนนี่นะเวลาไปบรรยายธรรมแล้วอาตมาเห็นคนนั่งนั่งหลับสรรับสงกเนี่ยคิดว่าอาตมาจะเจริญผร ม, มิหารข้อเนีย่ยหรืออาตมาจะคิดยังไงอาตมาจะกโกรธไหมอาตมาจะกโกรธไห ม, ม, ลไหมวลาเลเห็นคนนั่งหลบับไม่สนใจฟังอาตมาจะกโกรธไหมเพราะอะไรไม่ใช่ฉันจะคิดยังไงรู้ไหมฉันจะคิดว่า คือปกติเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะอายุมากมาถึงเวลาให้นอนก็ไม่นอนเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ไอถึงเวลาไม่ให้นอนก็จะนอนเพราะว่าเรื่องวันเวลาคือคือคอนโทรตัวเองไม่เป็นไม่ค่อยได้โดยมากจะเป็นยังไงมาก็มนั่งนึก็่ืเออถ้าเสียงเราเป็นปัจจัยเขาหลับได้ แล้วก็ดีเนะี<ต>่ยเขาจะได้มีความสุขใช่ไหมม า, มาระยะหลังเนี่ยมามีตัววิทยุธรรมะอกมาไปเจอคนเก่งๆมามาก็เาอาแจากเขาถามว่ายอมเอาไปเหรอถามทำไมยอมต้องกินยานอนหลับใช่ไหมใช่เนี่ยถ้ายอมฟังธรรมะเนี่ยยอมจะไม่ต้องกินยานอนหลับเลยแล้วจริงๆเนะี่ยพอเขาฟังธรรมะปุบ๊บจะหลับเลยเสียงมันเย็นเนี่ยอมเสียงมันเย็นย แนืเข้าอกัหอนหมท่านามาก็จะตั้งนั่งความใจตั้งความรู้สึกว่าเออนี่ยเพราะถ้าคนไม่หลับถ้าคนเครียดขึ้นมาเป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะเนะถ้าเขาฟังเสียงเราได้แล้วเขาหลับได้นี่เขาจะได้มีความสุข <c oughs> สรุปแล้วก็คืออย่างนี้ถามว่าในขณะที่เราเจอบุคคลเราควรจะใช้หน้าไหน คำว่าหน้าในที่นี้ก็คือให้ตัวเมตตากรุณาหรือมุทิตาหรือเบกขามันนั่งแท่นอยู่ในใจเราเนีเขาเรียกเปลี่ยนหน้าอันนี้ต้องเปลี่ยนหน้าถูกและให้ทันต่อสถานการณ์ถ้าใครใช้ได้ถูกและทันต่อสถานการณ์เขาเรียกคนคนนั้นปฏิบัติธรรมมาได้ถูกต้องแล้วก็แก้ไขปัญหาชีวิตตนเองได้ด้วยแล้วก็สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าอย่างนี้ฉันยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นคนเดินพรหมมิหารเก่งมาก ท่านก็ไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งนะและในหมู่บ้านนี้เขาขัดแย้งกันมากทะเลาะ ก, กันทั้งประชาชนไม่ใช่แค่ประชาชนขัดแย้งกันนะแม้อะมนุษย์คือเทวดาทั้งหลายที่เป็นลูกเทวดาเนี่ยที่อยู่ในต้นไม้ในป่า น, นั้นก็ขัดแย้งทะเลาะ ก, กันพอพระเถระนี้ไปพระเถระเป็นคนเก่งในการเจริญพรหมหาตเก่งมากในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายกับชาวบ้านเนี่ยก็พูดด้วยเมตตาก็ เนไหมขับได้ขับเน้นได้พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตาเนี่ยทําได้เมตตาทำได้กรุณาทำได้มุทิตาตลอดถึงทําประโยชน์ด้วยเมตตากรุณาหรือมุทิตาไปเตอร์เหล่านี้ท่านจะเก่งคือพรหมิหารเนี่ยเป็นธรรมะขั้นอยู่ในจิตใจแล้วก็เวลาผักออกมาในการกระทําเนี่ยออกมาเป็นสังขาวัตถุคือคือในวันนี้เวลามาพูดเรื่องตรงนี้นะเอามาต้องการอยากยังให้เป็น ทั้งภาคหลักการและภาคปฏิบัติการก็แปลว่าอะไรหนึ่งให้เข้าใจเรื่องตัวพรหมวิหารก่อนเมื่อเข้าใจตัวพรหมวิหารสามารถหมุนตัวเมตตากรุณามุ้ิตาและเวรขายเกิดในใจได้แล้วเนี่ยต่อไปภาคปฏิบัติการก็คือเวลาเราเกี่ยวข้องหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยสามารถผักออกมาเป็นการกระทำได้ให้เมตตาออกมาได้จริงๆกรุณามุ้ิตาเป็นต้นออกมาได้จริงๆริงยกตัวอย่างเช่นนะ อย่างพระเทล่ที่เอามายกตัว อ, อย่างเนี่ยพระเทล่รูปเนี้ยท่านไปอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนเนี่ยสังคมในหมู่บ้านนั้นเน่ยเกิดสมัครสมานสามัคคีกันได้ได้วยคนคนเดียวเนี่ยนะไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่กลุ่มเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็สมัครสมานสามัคคีกันหมดอันนี้แปลว่าเกื้อกูลกันหมดนี่จากอนุภาพของพรหมวิหารคนเดียวที่เจริญและที่ฝึกออกมาเป็นทั้งภาค ทั้งพรหมวิหารแล้วออกมาเป็นภาคสังหาวัตถุในหลักการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นเมตตากรุณาบุตตาและเวขาได้จริงๆคนรักกันทั้งหมู่บ้านและเทพเทวดาทั้งหลายก็รักกันทั้งทั้งทั้ ง, ง, งป่ามีออกภาษาแล้วท่านก็จะจะจาริกไปที่อื่นนี่ท่านเป็นพระบุตรชนด้วยนะพอจะจาริกไปที่อื่นก็มีอมนุษย์เนี่ยเทพเทวดามาร้องให้ท่านก็นถามว่าใครบอกว่าเทวดามาร้องไห้ทําไม เขบอกเนี่ยพระเถระมาอยู่เนี่ยสามเดือนเนี่ยเป็นเหตุทําให้พวกเราสมักสมานสามัคคีกันเดี๋ยวถ้าท่านไปอีกเดี๋ยวความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นอีกจริงนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อท่านก็อยู่ต่อก็อยู่ต่อแล้วที่นั่นก็สมัครสมานสามัคคีแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมนะที่นั่นเนี่ยตรงนี้ชีย่ยเห็นว่ายมเป็นผู้บริหารในหน่วยงานในอง ค, องค์กรใดถ้ายอมสามารถเอาพรหมวิหารไปใช้ได้จริงในหน่วยงานในองค์กรและในครอบครัวนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยน ยมต้องมีพลังจริงนะพลังที่ขับเน้นออกมาได้จริงๆมันจะเปลี่ยนได้จริงๆยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะรุโยมมีเมตตาใช่ไหมทําเมตตาให้เกิดขึ้นมีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนที่เกิดขึ้นในจิตใจได้จริงอได้แล้วด้านจิตใจคิดเมื่อไหร่ก็เป็นเมตตาได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเพราะเมตตาเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือว่าเป็นไปโดยการเกือกเก้อกูลคิดเกื้อกูลคิดรักคิดปรารถนาดีเอื้อเกื้อกูลเก่ก เ, กเขา และในขณะที่เมตตาเกิดขึ้นเนี่ยเมตตาเนี่ยก็จะน้อมนำประโยชน์ไปให้เขาไอการน้อมนำประโยชน์ให้เขาเนี่ยมีสามทางใช่ไหมทางกายเราอาจจะหยิบของให้เขาแต่ใจเราใจเราเป็นใหญ่อยู่แล้วเราต้องการให้เขาได้ประโยชน์ได้น้ำแล้วก็น้ำให้เขาขอแต่ให้ด้วยอะไรด้วยเมตตาหรืออย่างเราเป็นหมอเนี่ยชัดเลยใช่ไหมเรามีเมตากับคนไข้ที่อาการเขาปกตินี่นะสมมติเราเมตตาเขา และเราก็ดูแลเขาในการที่ให้ยาก็ดีเนี่ยให้ยากแก่เขาและในขณะเดียวกันก็ในขณะที่เราหยิบย้ายเขาฉีดย้ายเขาหรือว่าเอาสิ่งของใดๆที่เป็นประโยชน์หยิบยื่นของอะไรให้เขาเนี่ยในขณะนั้นใจก็มีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเป็นตัวผลักในการยื่นให้ไปมองเห็นไหมสมมว่าน้ําเนี่ยมีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเบียดเสร็จพวกในใจแล้วก็ยื่นให้ เยี่นด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเออทอนนี้ทางกายนี่ก็เรียกทางกายถ้าทางวาจาก็คือพูดเนี่ยพูดให้ข้อมูลความรู้เขาว่าเออคุณต้องดูแลร่างกายยังไงแต่ใจนั้นรักและปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนด้วยนะว่าคุณต้องดูแลร่างกายยังไงปฏิบัติตนเองอย่างไรถึงจะสามารถทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตอนนี้ร่างกายคุณไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะแต่ในอนาคตถ้าคุณดูแลร่างกายไม่ดีมันจะเจ็บป่วย ให้ข้อมูลเขาให้วิชาให้ข้อมูลหลักการความรู้เขาแต่ในขณะที่พูดนั้นน่ะก็พูดด้วยใจลกพูดด้วยเมตตามีจิตใจที่เป็นเมตตาผลักดันดันดันคำพูดออกมาคนที่ได้รับจากคําพูดที่พูดด้วยเมตตาเป็นต้นเหล่านี้จิตใจเขาเป็นยังไงจิตใจเขามีความสุขนี้เป็นต้นเนี่ย น, นี่หนึ่งหนึ่งให้ด้วยเมตตาสองพูดด้วยเมตตาสามทำประโยชน์ ทำประโยชน์เขาอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทําออกมาผักดันออกมาด้ว ย, ด, วยด้วยเมตตานี่เริ่มมองเห็นไหมว่าไม่ใช่อยู่แค่จิตใจอย่างเดียวแต่ผักดันออกมาเป็นการกระทําเป็นคําพูดในการที่ออกมาด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและในใจเราคิดต่อเขาก็ปรารถนาดีเอื้อทอนกับเขานี่เป็นเมตตามนโนกรรมยากไหมทํายากไหมแบบเนี้ทั้งหมดเหล่านี้ก็เกิด จากความรู้ความเข้าใจนะสามารถสามารถทำเมตตาเกิดขึ้นในใจของตนเองได้ก่อนไม่ใช่ว่าเมตตาไม่เกิดแล้วแล้วทำออกไปเป็นสัญชาตญาณเหมือนเราทำไม่ใช่และให้สังเกตเมตตาเกิดหรือไม่เกิดในขณะที่เราทำประโยชน์ให้กับเขาถ้าเขาทำไม่ถูกใจที่เราปรารถนาไว้หงุดหงิดไหมถ้าเมตตาหงุดหงิดจะไม่เกิดจะไม่เกิดความเครียดจะไม่เกิดความหงุดหงิด ภาวะของความวิตกกังวลจะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเมตามันมีพลังแล้วเมตามีพลังและเหตุผลดังที่ได้กล่าวคิดยังไงให้เกิดเมตตาไอตัวกําลังความคิดที่เรียกโยนิโสฉลาดคิดเนี่ยคิดถูกทางถูกวิธีเนี่ยคิดคิดจุดเด่นของเขาคิดว่าเนี่ยเขาเป็นเขาถ้าเราเราบอกข้อมูลแก่เขาเขาจะเป็นประโยชน์แก่ พ่อแม่ปู่ตายายยายยังไงเป็นต้นเนี่ยการที่เราคิดในลักษณะนี้แปลว่าเราให้ประโยชน์ให้เขานี่เป็นต้นพอมองเห็นไหมเดีย๋ยวถามพวกเราหน่อยว่าเวลาเรายอมยอมทนดินเวลาปกติเป็นหมอหรือเปล่าถามเวลาเวลาอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเนี่ยเราเมตตาเขาไหม เมตตาใช่ไหมเคยหงุดหงิดเขาไหมเล็กน้อยอย่างเล็กน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราทาคนอื่นทำใหเราหงุดหงิดใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงไม่มีใครทำให้เราหงุดหงิดได้พ่อละคน เพราะมันนอกตัวนอกตัวเราเ็าจะทำไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ไปมองพฤติกรรมของเขาหรือเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วแล้วเราไม่ชอบใจใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความเข็นว่าทุกคนต้องเป็นอย่างใจเราคิด เช่นเราต้องการให้คนนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่เป็นตามที่เราหวังล้วคาดไว้เราก็เครียดเราก็ทุกข์เช่นคนไข้มาหาเราเราปรารถนาให้คนไข่รู้จักมัน ญ, ญากในการพูดคุยกับเราถ้ามีคนไข้บางคนเข้ามาเ็าพูดจาโผงผางกับเราเลยพูดจาดุดันกับเราแล้วมาตำหนี่เราปุ๊บเนี่ยโ ก, โกรธไหมโกรธไหมโกรธทำไมเราจึงโกรธ ทีนี้ตรงเนี้ยที่ต้องการชี้เห็นก็คือว่าเหตุที่พน้นเหตุที่เราไปกโกรธเขาเนี่ยที่จริงก็คือว่าพฤติกรรมของคนอื่นเมื่อสักครู่น้ามาก็ยกตัวยอย่างคุยกับทางพ่ออ่อนว่าน้ามายกตัวยอย่างว่ามีนิจเยอะ ย, ยกเคสหนึ่งนะมียอมคนหนึ่ง เขาอยู่ต่างประเทศทีนี้กลับมาบ้านเขากรกดพฤติกรรมของคุณแม่มาคือคุณแม่เนะี่ยมีที่แต่คุณแม่ไม่แบ่งให้เท่ากันสมมตินะมีที่ยี่สิบไร่ให้พี่หมดแต่ไม่ให้เขาเลยสองมีหุ้นก็ให้พี่หมดแม่เขาเลย ถ้าถามว่าเป็นเราเราจะโกรธแม่ไหมโกรธคุณแม่ไหมถ้าคุณแม่เป็นแบบนี้โกรธไหมโกรธน่าโกรธไหมเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมเพราะแม่ไม่ยุติธรรมใช่ไหมเออเนี่ยถ้ามองอย่างทนายดีชัดเลยใช่ไหมเพราะวิชาการที่เราเรียนมาใช่ไหมโดยหลักการเนี่ยโดยกฎสมมติเนี่ยโดย ก, ต, ยดยกติกาโดยข้อตกลงเนี่ยแม่จะต้องแบ่งที่ให้เท่าๆกันใช่ไหม โดยหลักการความเป็นอย่างนั้นใช่ไหมขึ้นลงไปศาลไหนผูพ้พากษาก็ต้องน่าจะตัดสินอย่างนี้หลยเราก็คิดอย่างนั้นตามกฎกติกาของบ้านเมืองนั้ น, น, นแต่การคิดลักษณะอย่างนี้นเขาเรียกว่าคิดไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะความจริงแม่เป็นแบบเนี้ยรับยากนะแต่คิดแบบที่เอามาว่าใช่ไหมอันดับแรกก็คือให้รู้ก่อนความจริงมันเป็นยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงก็ใหรู้ความจริงก่อน ให้รู้ก่อนก็แม่เป็นแบบนี้แม่มีพฤติกรรมอย่างนี้มีสภาพจิตใจอย่างนี้มีทัศนคความเห็นแบบนี้ก็ให้รู้ก่อนความจริงเป็นแบบนี้ให้รู้ก่อนนะยังไม่ต้องไปทําอะไรก่อนแต่โดยส่วนใหญ่เราจะไปตัดสินชอบใจและไม่ชอบใจทันทีแต่ให้ปัญญาก็เป็นตัวตัดสินก่อนเป็นแบบนี้ทีนี้อามาก็ค่อยเคลียประเด็นไปก่อนกว่าจะมาพูดตรงนี้อามาก็ถามว่าโยมต้องการใช่ไหม ต้องการเงินต้องการทรัพย์ใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแต่ต้องการให้แม่เนี่ยเป็นธรรมต้องการให้แม่เนี่ยแบ่งให้เท่าๆกันฉันก็ถามว่าก็แม่ไม่ได้แบ่งแล้วแล้วคุณจะเอาอะไรก็ตรงนี้เขาบอกนะเขาอยากจะไปพูดกับแม่ให้รู้เรื่องใช่ไห แม่จะได้รู้ว่าเนี่การกระทาของแม่นี่นมันผิดเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมท่านมาก็ต้องไปถามว่าถามว่าเงินถามว่าชีวิตเนี่ยชีวิตกับเงินเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันชีวิตกับที่ดินเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันชีวิตกับทรัพย์อะไรสําคัญกว่ากันเอายอมว่าอะไรสําคัญกว่า ยี่สิบล้านามาขอซื้อชีวิตยอมยอมขายไหมขายมเพราะอะไรเพราะชีวิตสำคัญกว่ามันมีค่ามากกว่าใช่ไหมแล้วถามแล้วชีวิตใครให้มานี่อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องผิดถูกก่อนนะเอาก่อนให้รู้ก่อนว่าชีวิตนี่ใครให้มาก่อนอพ่อแม่ให้มาถามว่าพ่อแม่ที่ให้ชีวิตมาเนี่ยถามว่ามีค่าไหม โอ้โหมีค่ามากเลยทีนี้แต่พอแม่ทำไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่ามัจะลากไปประเด็นตรงนั้นอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมบอกให้ให้ให้ดูตรงนี้ก่อนเรื่องชีวิตก่อนทีนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่แม่ให้ทีนี้เรามาประเด็นอื่นว่าจริงๆเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถรู้องค์ประกอบทั้งหมดของกระบวนการความคิดของแม่ เพราะเราไม่ใช่เป็นแม่ว่าแม่ก็คิดกี่รอบคิดกี่ครั้งทำไมคิดแล้วต้องทำอย่างนั้นองค์ประกอบทั้งหลายเหล่าเนี้เราไม่สามารถเข้าไปรู้รายละเอียดได้ทั้งหมดหรอกแต่ที่แน่แน่ถ้าเอากฎกติกาไปตั้งไปจับเนี่ยก็โอเคอย่างนั้นแต่ต้องให้รู้ก่อนว่าแม่เป็นแบบนี้ให้รู้โดยเชนนี้ที่เราไม่ต้องไปจะไปโกรธต้องไม่ตามความโกรธให้เกิดขึ้นก่อนเข้าใจหมไหมตัวเนี้ยหรือยาก <laughs> ยากไหมยากเลย คือจริงๆตรงนี้เมื่อพูดามาพูดตรงนี้ให้ฟังก็คือว่าต้องการให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแม่เ็ามีความเห็นอย่างไรมันเป็นทรัพย์ของใครเอาเมื่อเป็นทรัพย์ของแม่มันเกิดได้บุญของแม่ได้เกิดกำลังความรู้ความสามารถของแม่ถ้าแม่จะให้ใครเป็นสิทธิ์ของใครเอาแล้วเราทำไมต้องไปก้าวก่กาลังบุญกำลังทรัพย์ของแม่ด้วยแล้วก็ได้ชีวิตมาแล้วไม่พอหรือ หรื อ, อยังจะเอาอีกบอกอยากจะได้มันเท่าๆกันด้วยเพราะคนจะลากประเด็นกลับไปเนี่ยนะจริงๆเน่ตรงนี้บางครั้งเนี่ยเราอย่าเอาแค่กติกาไปตัดสินเพราะท่านจะไม่ให้ใครก็ได้จริงไ้ยล่ะมันเป็นสิทธิ์ของท่านนี่ท่านหามาเรี่ยวแรงด้วยกำลังด้วยบุญด้วยอะไรของท่าน ท่านจะไม่ให้เราก็ได้ให้ก็ได้ให้เท่ากันก็ได้ให้ไม่เท่ากันก็ได้ท่านก็ทําให้ดูแล้วอย่างนั้นเนี่ยแต่เพียงว่าสิ่งไหนที่ดูแล้วพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ทําแค่แค่นี้แหละก็เป็นหลักของเราไปจริงไหมเ๋๊ะคิดอย่างมีผิดด้วยถูกเนี่ยเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะใช้มาตรฐานสังคมกติกาก ฎ, ก ฎ, ก ฎ, ก ฎ, กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วก็ไปบีบบังคับท่านอาจจะเห็นความจำเป็นว่าคนคนนี้อ่อนแอต้องช่วยเหลือแต่คนๆนี้แข็งแรงแล้วพอเจาะไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าจริงๆตรงนั้นน่ะถ้าเป็นสิทธิมันเหมือนว่าพวกเราเนี่ยพวกเรามีลกูกมีหลานหรือว่ามีพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ถามว่ามันมีที่ไหนที่มันจะทาให้เท่ากันได้ไหมมันไม่มีหรอก เขาไม่ได้เอาเท่าโดยเอาเอ า, เอาตัวซั์เป็นตัวตั้งเหมือนที่ยี่สิบไร่เนี่ยพอแบ่งคนละสิบแล้วขายก็ได้คาไม่เท่ากันไม่ไเท่ากันได้ไงใช่ไหมละ่ะสภาพพื้นดินสภาพติดถนนติดแม่น้ำติดอะไรป่าอะไรเงี้ยมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อไปเอากติกาข้างนอกเป็นตัววัด มันก็จะกลายเป็นปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะอันนี้เขาเรียกว่าให้เข้าใจความจริงก่อนยังไม่ได้พูดเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยแต่เวลาเรามองปัญหาให้มองแบบนี้ให้มองตามสภาพตามที่มันเป็นเอาละเอามาพูดเรื่องเมตตาพอจะจับประเด็นได้ไหมเมตตาเนี่ยเมตตาเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจนะแต่ถ้าจะเอาไปใช้ต้อง ทานจากสังขาวัตถุหลักการสงเคราะห์ก็คือทานการให้ให้ด้วยเมตตายัางไงให้ด้วยกรุณายัางไงให้ด้วยมุทิตายัางไงเป็นต้นอ้ น, นี้ต้องว่ากันอีกทีเอาอย่างยกตัวยอย่างเช่นเป็นหมอพวกเราเป็นหมอส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเวลาเราเห็นคนป่วยมาเราควรตั้งเมตตากรุณาหรือมุทิตาหรือเบขากรุณาเบื้องต้นใช่ไหม ทีนี้ในกรุณาเบื้องต้นเมื่อเกิดความการุณาและเกิดความสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์ก็ขนขวายทําเต็มที่ตามความสามารถในขณะที่เราทําต่อเขาทางกายใช้กายใช้พฤติกรรมทางกายไปกระทําต่อเขาอย่างนั้นเขาเรียกว่าการุณากายกรรมถ้าพูดกับเขาด้วยกรุณาด้วยความรักด้วยความหวังดีให้เขามีกําลังใจนี่เป็นกรุณาวจีกรรมทําประโยชน์กับเขาเนี่ยอันนั้นเป็น การทำประโยชน์ด้วยกรุณ น, นาเขาว่าไปที่นี้ถ้าเราเออรักษาดูแ ล, แลแล้วแต่สภาพโรคหรือว่ากระแสชีวิตขงเข้ามันสุดลงเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆตอนนั้นควรควรไปข้อไห น, นอุเบกขาแปลว่าอะไรไคืออุเบกขาเนี่ยก็แปลว่าการวางใจเป็นกลาง ใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ให้ความยินดียินร้ายมันตรวจขึ้นแล้วก็มองสภาพว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้แต่เราก็ทำเต็มที่เต็มเต็มความสามารถทีนี้ถ้าถามว่าอุเบกขาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยนะ เวลาเวลาเราเราเลี้ยงเด็กเนี่ยในขณะที่เราต้องการให้เด็กได้ขวนขวายด้วยการฝึกตัวเองในการพัฒนาศักยภาพตัวเองในขณะนั้นน่ะเราเราวางใจต่อลูกด้วยคุณธรรมข้อไหนเมตตากรุณาเมตตาลูกเบคาถ้าเมตตาเราก็ต้องไปช่วยเขาอย่างเช่นลูกเขาจะทำการบ้าน เราไปทำให้เลยใช่ไหมการทำให้เนี่เป็นเมตตาเป็นกรุณานะเพราะเราสงสารเขาไงแต่ถ้าปล่อยเขาฝึกเองทำเองพัฒนาศักยภาพเองเป็นเป็นข้อไหนเนี่ยอุเบกขาฉะนั้นคำว่าอุเบกขาก็คือปล่อยให้เขาได้มีโอกาสฝึกผลพัฒนาศักยภาพตนเองนะไม่ใช่ไปทำให้เขาถ้างั้นเขาจะกลายเป็นคนอ่อนแอ อย่าลืมนะการเลี้ยงเด็กก็ดีเหมือนกับกรณีดูแลคนไข้เนี่ยในวาระที่เราต้องการให้เขาต้องฝึกตัวเองแล้วเราให้ได้แค่นี้แหละให้ยาก็ดีให้การรักษาแค่นี้ต่อไปคุณจะต้องไปฟิตร่างกายตนเองไปฝึกตนเองไปพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ใช่เราคอยประครบประงมไปกายเขาเป็นใครเป็นการกุณาอยู่เรื่อยเสียคนเลยเข้าใจอยาเห็นไหมการใช้พละมิอารเนี่ยก็ต้องใช้ถูกสถานการณ์และบุคคลด้วย ออบางทีต้องใช้แต่อุเบกขาเลยเขาเรียกไล่น้ำใจอย่างสังคมอเมริกาเนี่ยใช้แต่กฎระเบียบกติกากันไม่สนนะ่พ่อทําผิดก็ฟ้องพ่อได้ลูกทําผิดก็ฟ้องไปขนาดนั้นเลยยังสังคมอุเบกขาหน้ากลัวเนี่ยงั้นเราเรียกว่าสังคมอุเบกขามันอยู่กันด้วยกฎกติกามันไร่น้ำใจแต่ถ้าใช้แต่กรุณามุริตาเด็กก็อ่อนแอใช่ไหมเด็กก็อ่อนแอ ดนั้นต้องให้มีบาลานซ์กันเพราะเมตตากรุณาเมตตามันด้านความรู้สึกแต่อุเบกขามันด้านความรู้เข้าใจไหมดังนั้นการที่จะทําให้พรหมิหารเป็นดุลยภาพเป็นเป็นสมตาเป็นมัชิมาปฏิปทาดังั้นจะต้องทําให้ได้ดุลไม่ใช่เอียงสุดดังนั้นคนโดยส่วนใหญ่จะเอียงบางคนก็เอียงเอาแต่อุเบกขาเช่นลูกหกล้มอุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ใช่ไม่มลูกไปบาดเจ็บมาอะไรมาก็สัตว์โลกไปตามคำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสังคมอะไรความรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าโอ้แต่เพื่โอ้โลูกไปถูกลูกไปบาดเจ็บมาก็โอ้ดูแลลูกไปรักของเขามาก็เก่งลูกเพราะกลัวกลัวลูกจะจะน้อยใจยงไงนักเข้านัเข้าเสียคนไหมเนี่ยถ้านถึงบอกว่าเวลาจะ ใช้พรหมวิหารก็ใช้ให้ถูกปรับดุญยภาพให้ได้ตรงเนี้ยโดยมากคำว่าสมถตาเดี๋ยวถามหน่อยว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นจิตนิยมหรือวัตถุนิยมอ้าวใครว่าจิตนิยมยกมือขึ้นใครว่าวัตถุนิยมยกคือมือขึ้นใครว่าไม่ถูกทั้งสองไม่ไม่เป็นทั้งจิตตนิยมไม่เป็นทั้งวัตถุนิยม ยกมือขึ้นที่จริงพุทธศาสนาไม่เป็นทั้งจิตนิยมไม่เป็นทั้งวัตถุนิยมพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญทั้งสองส่วนทั้งด้านจิตใจทั้งด้านวัตถุนี่ต้องระวังนะพวกเราตอบด้านนี้กันให้ชัดนะเป็นพุทธวิษัตน์เนี่ยไปตอบเป็นจิตนิยมม่ยุ่งเลยไม่สนใจเรื่องเสื้อผ้าไม่สนใจเรื่องร่างกายไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งของข้าวของเอาแต่ด้านจิตใจล้วนๆนี่ไม่ใช่ใช่ไหม พะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมัชิมาปฏิบัติานะเป็นสายกลางนะไม่เอียงไปทางด้านของวัตถุและไม่เอียงทางด้านของด้านจิตใจให้ความสําคัญทั้งด้านรูปและนามนะเห็นความสําคัญเท่ากันพอจะมองเห็นไหมยะพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่ถ้าบอกด้านจิตอนิยมเนี่ยมันมีบางยุคบางสมัยอย่างพวกฤษีอ่ะไอ้พวกฤษีเนี่ย พวกเนี้เขาไม่ได้สนใจเลยด้านด้านสภาพร่างกายยังไงด้านจิตใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยผิดหลักเลยผิดหลักพุทธศาสนาด้วยนะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาลุสีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาหนีสังคมไม่ใช่มีเวลาพระเจ้าไปสร้างวัดหนีสังคมไม่มีหรอกมีจะแก้ปัญหาสังคมเลยหวังกันเถอะนี่ปนไปดีทีนี้ ถ้ามองนี้ก็จะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญทั้งด้านของวัตถุแม้แต่เนี่ยถ้าถามว่าคำว่ามัชชิมาปฏิบัทิธรคำว่าสายกลางถามพวกเราเลยนะเดี๋ยนะี้เราจะได้ใช้ชีวิตถูกปฏิบัติถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคำว่ามัชิมาปฏิบัทิธรคำว่าสายกลางในที่นี้เอาอะไรเป็นเครื่องวั ด, วาดาาวาาาอ า, อคอดอาใครใครมีความเข้าใจคาว่ามัชิมาปฏิบัตว่าสายกลางรับ อลองยกัศประเด็นหนึ่งที่เอา้ามีใครจะแสดงความเห็นมั้งเดี๋ยวเหลืออีกสิบกว่านาทีได้เบรกกันสักหน่อเป็นช่วงหลังอยากให้ถามปัญหากันนะอา้าวมีใครจะถามไหมเออมีใครจะแสดงความเห็นคําว่ามัชชิ ม, มาปฏิปทามไหมเราชอบพูดกันเนี่ยคำว่าสายกลางเนี่ยใช่ไหมในกลางในความเข้าใจของเรามันคืออะไร อะไรเรียกว่ากลางอะไเรียกเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอะไรเรียกว่าพอดีสมมุติถ้าเรากินเหล้าวันละสิบแก้วแล้วก็ลดเหลือวันละห้าแก้วถือว่าสายกลางไหม <c oughs> <c oughs> สายกลางไหม <c oughs> แต่ก่อนฉันเป็นคนด่าเก่งบ่นเก่งมากเดีย๋ยวนี้ฉันลดมาสายกลางฉันด่าแค่อทิตย์ละสองสามวัน มีแปลสายกลางไหมแล้วกลางจริงๆคำว่ามาชิ ม, มาจริงมันหมายถึงยัง ไ, อไง อ, อ่ะเรายังไม่แสดงความเห็นอ้าวเชิญน่นทำไมเอออยากฟังความเห็นหมออย่างผมผมว่าจะเป็นการแารประษุ์หมอเชิญระว่าที่ คือ่ะว่าีีเช่ดเราให้มีรูกเกาคงอคนระดับปฏิบัติชได้ให้รู้ึกดีออยอมได้นึงประเด็นแล้ว คงจะใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ น, นะครับท่านพระอาจารย์ก็คือว่าไม่ให้เน้นไปทางกางก็คือกรรมาสุ ข, ขาริการุโยคมากไปหรือว่าไม่ทรมาณตนเองมากไปก็คืออัตตะปีละมัธานุโยกนะครับการมสุ ข, ขาริการุโยกก็คือว่าหลงไหลไปในกลามข้างไขไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผัวทพะอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของอัต การทรมานตนเองแล้วก็การการกับปัดทิศติดตำหนักของธรรมครับก็คือว่าต้องอยู่ระหว่างกลางตรงนี้ครับต้องวางตนระหว่างจิตใจไว้ตรงกลางไว้ตรงนี้ครับเมืม่อสักครู่นี้คือที่ยอมพูดมาก่อนหน้านั้นบอกว่าให้มันพอดีกับทุกคนปฏิบัติกันได้นั้นขับเน้นที่รูปธรรม เมื่กยอมใช้บาลีคําว่าการมสัสุการิการุโยกอัตกิลมิานุโยกอันนั้นใช้ในหลักของในธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าเสด็จคำว่า ม, มัชฌิมาแต่จริงๆสาระจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่มาพูดคําว่าเมตตาใช้ในใช้ในสถานการณ์ไหนใช่ไหมอายกตัวอย่างเลยนะว่าจะเป็นมัชฌิมาคําว่าสมตาคําว่าสมดุลคําว่าดุลยภาพอันเดียวกันสมตาสมดุลดุลยภาพ พอดีแล้วก็มัชิมาปฏิบัาิเนี่ยยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างลูกนะในยามที่ลูกปกติเขามีชีวิตงเขาปกติแล้วก็รักปรารถนาดีเอือ้อทอนกับเขาได้พูดกับเขาได้เมตตาทำกับเขาได้เมตตาคิดกับเขาได้เมตตาใช่หมอันในยามที่เขาประสบปัญหาชีวิตประสบความทุกข์ความเดือดร้อน เกิดเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เข้าไปขวนขวายช่วยเหลือแก้ไขให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นๆในยามที่เขาประสบได้ดีมีสุขได้ดีมีสุขหรือประสบความสาเร็จก็พรอยินดีหรือในยามที่เขาประสบความทุกข์หรือประสบปัญหาสมมตินะแต่ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็วางใจเป็นกลาง ไม่เอาไม่ไปขนขวายปล่อยให้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วขนขวายเต็มที่แล้วเนี่ยก็วางท่าทีทางใจหรือเขาต้องการขนขวายพัฒนาศักยภาพตนเองได้สักด์ด้ความรู้ด้ความสามารถแล้วก็วางใจเป็นกลางให้เขาได้มีโอกาสฝึกตัวเองอย่างเต็มที่กรณีที่เราใช้พรหมวิหารได้ถูกต้องตามบุคคลตามสถานการณ์นั้นๆได้อย่างถูกต้องได้พอดีได้เหมาะสม ได้สมดุลอย่างนี้เขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี่เขาเรียกกลางเขาใจยังเขาเรียกว่าใช้ได้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าสุดตรงสมมตินะสุดตรงนะคําว่าเอกามัสุขาริการวิโยคือสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือว่าด้านเข่งจนเกินไปหรือหย่อนเกินไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นโลกชั้นผิดไม่ได้ถ้าโลกชั้นชันต้องช่วยคือเมตตาตลอดกรุณาตลอดเข้าใจไหม เขามาทําการบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรพ่อทําให้นี่นี่ไม่ใช่มชจิมาแล้วเนี่ยเนี่อในขณะที่เขาไปมีปัญหาคนอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปจัดการถึงโรงเรียนเลยลูกเข้าไปก็จัดการที่ครูเลยไม่ได้เรื่องเลยทํากับลูกฉันอย่างนี้ได้ไงฉันลูกใครเนี่ยโรคหมอรู้ไหมโรกหมอเป็นใครลูกหมอไงเห็นไหมในกรณีอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรเป็นสมมาตาไหมสมดุลไหม เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไหมพอดีไหมไม่พอดีเนี่ยลักษณะเนี่ยไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาคําว่าพอดีคําว่าสมมาตาหรือดุนยาภาพเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความเหมาะไม่ใช่เอาความไม่ดีมาจัดให้เป็นมัชฌิมาไม่ใช่แต่ต้องสิ่งนั้นเป็นความดีแต่ต้องเป็นความดีที่มีความเหมาะสมเฉลี่ยดูนะช่วยลูกนี่เป็นความดีไหม เป็นความดีแต่ถ้าช่วยผิดสถานะเช่นช่วยทำการบ้านให้ลูกยกเว้นลูกมือก็พังหมดเลยแล้วก็ว่าไแปบบ เ, เห็นไหมเนี่ยกรณีคำว่ามัชิมาปฏิปทายากไหมยากไม่ยากพวกเราเข้าถึงกันหรือยังสามารถทำได้ไหมเอาเวลาปฏิบัติต่อภรรยาปฏิบัติยังไงเป็นสมตาเดี๋ยวเป็นเป็นมัชิมาปฏิปทาในยามภรรยาปกติตอนนั้นควร เมตตาในอย่างที่เขาผิดปกติเช่นเขาโกรธมานควรเขาโกรธมาทําไงควรเจริญพระมิหารข้อไหนข้อไหนข้อไหนยกมือทั่วหมัวสาธุสธัตว์โลกเป็นเวลาเก่าเจริญข้อไหนเวลาเขาโกรธมาข้อไหนนะข้อสองใช่ไหมทําไมต้องเจริญข้อสอง อ๋อเขามีทุกโอนี่คิดเป็นอ๋อเขาและเวลาเจริญกรุณาแล้วทำยังไงกรุณาอ๋ออ๋อกรุณรุากรุณาแสดงออกมาทางกายได้ไหมทำยังไงดูแล้วเขาโกรธหัวฟาดหัวเบี่ยงบางอย่างเข้าไปจับแขนเขาไปจับแขนเขามา แล้วพูดด้วยพูดด้วยกรุณาใช่ไหมวันนี้เริ่มใช้เป็นแล้วทางใจทำยังไงตอนนั้นน่ะมันจะมาไมา้ไหนวะ <laughs> จิตใจต้องไม่หวั่นไหวด้วยนะกรุณาต้องไม่หวั่นไหวถ้าเป็นกรุณาแท้ต้องไม่หวั่นไหวเห็นเขามีปัญหาเห็นเขากำลังเจอความโกรธลุมล่มแล้วความเครียดลุมล่มแล้วความวิตกกังวลลุมล่มแล้วเรานึกกรุณาเขาก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะจัดการยังไง หนึ่งสองสามสี่อย่างไงอย่างนี้เปต้นทางกายจัดการยังไงทางวาจาจัดการยังไงแม้กายวาจาทําไม่ได้วางค่าทีทางใจยังไงที่ให้มความกรุณาเขาขอให้เขาสงบเมื่อสงบระยะนึงแล้วเราจะไปคุยกับเขาให้เตือนสติเขาให้ตั้งหลักให้ถูกยังไงโอ้มอีการวางแผนไม่ใช่เงียบจะพึ่บางคนใช้โูกเงียบอย่างเดียวอ่านเตมียะชาดกมาเยอะไม่พูด <laughs> <c oughs> อ่านแล้พูดไม่พูดใช้ผิดเวลาอยู่เป็นบ่อยไหมแบบนี้งั้นตรงนี้ก็ต้องต้องใช้ให้ถูกคำว่าสมตาสมดุลดุลยภาพเนี่ยต้องใช้ให้เป็นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่นยนะถ้าถ้าเราใช้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยปฏิบัติธรร ม, มะไม่ถูกแล้วมันจะไม่ถูกต้องกับทุกคนเลยเนะ ฉะนั้นเวลาเราไปอยู่กับคนไข้ก็ดีไปอยู่กับเพื่อนก็ดีไปอยู่กับคนทั่วๆไปกับหัวหน้ากับเจ้านายลูกน้องทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ยการใช้พรังวิหารเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากแล้วจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยต้องเข้าใจคําว่าดุนยภาพสมตาสมดุลหรือมัชิมาปฏิปทาให้ชัดต้องใช้ให้เป็นถ้าไปบอกว่าบอกว่าไม่สุดตรง คําว่าสุดตรงยอำเข้าใจไหมเช่นบางคนสุดตรงใช้แต่กรุณาอย่างเดียวเลยนี่สุดตรงไหมบางคนก็ใช้แต่พอยินดีแต่เพื่อโลกจะทาผิดทําถูกไม่สนใจนี่ก็สุดตรงเห็นไหมจริงๆนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนหน้าพราะวิหารไม่เป็นต้องเปลี่ยนหน้าให้ถูกต้องใ ห, ให้ให้ทันต่อสถานการณ์นั้นๆต้องให้ทันต่อสถานการณ์แล้วต้องเร็วให้ทันต่อสานการณ์ด้วยเคยเห็นการแสดงแบบ เปลี่ยนหน้าเร็วๆไหมเออนั่นแหละที่ผ่านมาได้มากเราจะใช้แต่โลภะบั้งโทสะบ้างโมหะหน้าแบบนี้ไม่ต้องใช้ให้ใช้เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาให้ใช้รักอะย่างเงี้ยนั่นให้เปลี่ยนหน้าทันต่อสถานการณ์นั่นนะเป็นต้นนี่ป่าสองอยังเดี๋ยวเบรกสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาช่วงหลังจะได้ให้มีการสอบถามปัญหาสุดดีไหมอา้าวมาเชิญ พักกันยี่